พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสรนสีสนทนาดำเนินรายการโดยสรนสีนาคพง์มาพบกับท่านอีกแล้วนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟค่ะเช้าตรู่อย่างนี้เป็นเวลาที่ท่านจะได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมที่พระพุทธองค์นั้นตรัสรู้ความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกแล้วนำเอามาถ่ายทอด ให้กับท่านได้ฟังกันโดยส่งผ่านมาทางสาวกของพระพุทธองค์เรื่อยมาจนถึงยุคนี้ได้เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้รับรู้รับทราบว่าศาสดาที่ยิ่งใหญ่ของโลกองค์หนึ่งนั้นได้บอกสอนอะไรจึงได้เป็นอมตะยืนยาวมาถึงกว่า 2,600 ปีนี้แล้วก็ท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงภูมิใจในความเป็นาศาสนก ที่รู้ว่าหลักธรรมที่จะเกิดเปรียวกับตัวท่านเองและจะส่งผลไปถึงคนอื่นๆด้วยด้วยกระแสแห่งธรรมนี้เป็นอย่างไรรายการของเราต้องการให้ท่านได้นำอธรรมนี้ไปปฏิบัติเข้าสู่ชีวิตประจำวันของท่านตั้งแต่ตอนต้นของรายการเราก็จึงได้ขออาราธนาพระมหาภัยบุตรอภิปุโนซึ่งท่านเป็นผู้นอนวยการหลักสูตรเรน์อยู่แล้วนะคะที่วัดป่าดอนายโซ อุดรธานีได้บอกสอนการปฏิบัติธรรมเป็นประจําเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปีเนี่ยได้มานําในการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายก่อนจะเข้าสู่การสนทนาธรรมกับท่านด้วยเหมือนกันวันนี้เราคุยกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทท้างอยู่เราไปกราบนมัสการท่านนั่งสมาธิเตรียมฟังต่อไปกันเลยนะคะนมัสกั่นทั้งคะเชิญพาในเบื้องต้นของการฟังธรรมนั้นก็ให้เรามาตั้งสติระลึกถึงลมหายใจเข้า ลมหายใจออกกันซะก่อนแต่การที่เรามาตั้งสตินั้นประโยชน์ก็คือเพื่อให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะดาสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่คือลักษณะของผู้ที่พึ่งตนพึ่งตรมนั่นเองพระพุทธเจ้าอธิบายถึงคนที่เคยพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วก็อธิบายไว้ว่าก็คือผู้ที่มีสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นเองเวลาที่เรามาระลึกถึงลมหายใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นกายแน่นอน เพราะว่าลมหายใจนั้นก็เป็นกายอย่างหนึ่งเวลาที่เรามารับรู้ถึงสัมผัสของลมที่มากระทบสัมผัตนั้นก็เป็นความรู้สึกเป็นเวทนาที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เรามาเฝ้าดูสังเกตดูลมหายใจที่มันผ่านออกผ่านเข้ามาดูม า, มารู้ลมหายใจไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมเข้าลมออกผู้ที่เข้ามารู้มาดูลมหายใจนั้นก็คือจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามา มาดูลมหมใจอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตด้วยแต่แปลว่าจิตนั้นมันเป็นผู้ที่เกี่ยวมารู้มาดูลงหายใจในขณะที่เรามาเฝ้ารู้ดูลมหายใจนี้แน่นอนบางทีมันก็ได้ยินเสียงด้วยเกิดเป็นความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบด้วยอาจจะมีความรู้สึกสัมผัสถึถงน้ําหนักของตัวเองที่นั่งอยู่บนเก้าอี้อุณหภูมิต่างๆที่อยู่ในห้องร้อนบ้างเย็นบ้างความรู้สึกต่างๆที่เราไปรับรู้นั้นเราเห็นมัน โดยความเป็นกองที่มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ได้เข้าไปเกลือนกลั้วไม่ได้เข้าไปยึดถือยึดติดอันนี้คือชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมะอย่างหนึ่งะไม่ได้เข้าไปเกลือกกลั้วแต่เห็นธรรมะโดยความเป็นของเป็นอนัตตาเป็นกองที่มันเป็นอาศัยเหตุปัจจัยจึงไม่ได้เข้าไปเกลือนกล้วนึกถือยินดีตรงนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นต่ําในต่ําบุคคลที่เจริญสติปัฏฐานผ่านการที่เรามารู้ลมหายใจนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่พึ่งตนเป็นผู้ที่พึ่งดำเพราะว่า เวลาที่จิตของเรามีสติแสตินั้นก็คือธรรมะอย่างหนึ่งจิตของเราก็คือตัวตนอย่างหนึ่งนั่นแหละที่ถ้าเผื่อว่าเราใช้ตัวตนของเรานี้ในการที่จะเจริญสิ่งที่เป็นธรรมะเหล่านี้แล้วแต่ชื่อว่าเป็นผู้ที่พึ่งตนพึ่งตามเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนไม่ได้เหินห่างจากฌานสมาธิเลยทําแม้แค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ตามพระบุรชาบอกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนยิ่งถ้าทําให้มากแล้วเราจะเป็นผู้ที่ สามารถที่จะรักษาตัวเองได้สามารถที่จะรักษาผู้อื่นได้รักษาตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เวลาคนอื่นเข้ามามีเรื่องกระทบใดๆจากเราสิ่งที่ออกไปจากเรานั้นก็จะไม่เป็นความเบียดเบียนแต่จะเป็นความรักใคร่ดูเป็นความเมตตากันเราผู้ที่เจริญสติอย่างนี้ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยเราผู้ที่เจริญสติอย่างนี้ก็ชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยสตินั้นทําสมาธิให้เกิดขึ้นแน่เวลาเรามีสมาธิแล้ว เราฟังธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่จะเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะเป็นเรื่องกันห้าเป็นเรื่องนิวาลเรื่องอิจตนาใดๆเราจะมีความเข้าใจมีความแจ่มแจ้งในการฟังธรรมได้อันนี้จะเป็นประโยชน์ของการฟังธรรมผ่านการที่เราทํามีการปฏิบัติให้เกิดสติกันก่อนนั่นเองเอาจารย์ปานสาธุค่ะวันนี้ที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะสนทนาเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ยิ่งกว่าเดิมที่ได้ขึ้นต้นขโมดไปว่าให้เข้าใจว่า ปฏิจจสมุปบาทคือเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นโดยเป็นเหตุเป็นผลเป็นกิริยาที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันใช่หรือว่าเป็นสมการของการเกิดขึ้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะทีนี้พอดีก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งซึ่งดิฉันจะได้กล่าวถึงคำถามของคุณจั ก, กริดนี้ไว้เลยเผื่อที่ท่านจะอธิบายต่อไปถึงปฏิจจสมุปบาทในตอนไหน เกี่ยวข้องกับคําถามของคุณจั ก, กรกลตก็จะได้ฟังไปพร้อมๆกันกับปฏิจจสมุปบาทภาพรวมที่ท่านฟังทุกท่านเนี่ยจะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะคุณจั ก, กรกฤิตได้กลับเรียนถามท่านมาว่าสงสัยเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทตรงที่นามรูปตัวนามถ้าอธิบายโดยขันห้าคือนามสี่รูปหนึ่งคือมหาภูตารูปทั้งสนามคือขันทั้งสี่ใช่ไหมครับ แล้วอธิบายโดยปฏิจจสมุปบาทนามคือเวทนาสัญญาคือเจตนาผัสสะมนสิการรูปคือกริยาที่แตกสลายได้ต่อความร้อนหนาวเย็นหิวกระหายไม่ทราบเข้าใจถูกไหมครับผิดถูกอย่างไรก็ขอให้ท่านช่วยอธิบายต่อผมมังงงตรงที่การสร้างนามรูปตอนที่มีผัสสะมันก็สร้างนามรูปอยู่ตลอดเวลา ขอให้ท่านพระาจารย์อธิบายตัวนามรูปอย่างละเอียดให้หน่อยครับโอเคเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคุณยมติ ว, ว่าที่ได้พูดกันไปเมื่อวานเนี่ยเพื่อที่ให้ท่านผู้ฟังอื่นๆได้เข้าใจกันด้วยนะค่ะ <c oughs> นะว่าที่เราเมื่อวานอธิบายถึงแค่คําพูดนี้ท่านนั้นเองที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแต่เพราะ <c oughs> ความเกิดขึ้นเองสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นที่จะมาอธิบายคําว่ามีท่านั้นเนี่ยที่พูดถึงว่ามันเป็นลูกน้องของคําว่ามีใหญ่ทําให้ เราเห็นว่าในประโยคนี้ถ้าโดยตามไวยากรณ์หลักไวยากรณ์แล้วเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นพร้อมกันแตนะ่ไม่ใช่ว่าอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นตัวอย่างที่อธิบายไปเมื่อวานก็พูดถึงเวลาที่เราไปอยู่นอกโลกนะเห็นวัตถุ ก, กับแสงต้องอสอ2อย่างนี้ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่ามันไม่มีไม่เห็นแต่ต้องทั้งสองอย่างมีมันจึงเกิดขึ้นได้แต่ละมายังได้ยกตัวอย่างถึงเรื่องของตัวโทรศัพท์กับตัวเน็ตเวิร์กใช่ไหม ถ้ามีแต่ตัวลูกเครื่องโทรศัพท์เนี่ยมันก็โทรไม่ได้แต่ถ้ามีแต่ตัวแม่คือตัวเสาโทรศัพท์เนี่ยมันก็โทรไม่ได้อยู่ดีทั้ง2อย่างต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้ามีอันใดอันหนึ่งแค่นั้นเหมือนไม่มีทั้ง2อย่างโอเคนะนี่คือคอนเซ็ปต์ว่า <improving. S 1> ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้ามีอันใดอันหนึ่งเหมือนไม่มีทั้ง2อย่างเอ่อหรืออย่างพ่อกับแม่เนี่ยพ่อแม่นี่ก็ฝ่ายหนึ่งลูกก็ฝ่ายหนึ่งจะมีพ่อแม่ ก, ก็จะไม่เรียกพ่อแม่ได้หรอกถ้าไม่มีลูกหรือจะมีลูกได้ไงถ้าไมม่่่พอแ มันก็ต้องอาศัยกันอะรกันเกิดขึ้นจะมีอันใดอหนึ่งไม่ได้มันต้องอาศัยกันอ <Thanksgiving> ะไรกันเกิดขึ้นหรือว่าหัวหน้ากับลูกน้องอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พูดถึงแต่ทุกคนเป็นหัวหน้าหมดเลยมันก็ไม่ได้มันก็จะไม่เรียกว่าหัวหน้าก็จะเรียกเพื่อนร่วมงานแต่ทุกคนเป็นลูกน้องหมดเลยเราไม่มีหัวหน้ามันจะเรียกลูกน้องได้ไงก็ต้องอาศัยกันอะไรกันเกิดขึ้นมีอันใดอันหนึ่งไม่ได้โอเคนะหรือว่าแม้แต่วิทยุอย่างเงี้ยแต่ท่านผู้ฟังเปิดวิทยุฟังแต่มีแต่วิทยุมีเสียงอออกกมมมาัน็ต้งี ขึ้นส่งมีเสาส่งก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะจะมีอันใดอันหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีทั้ง2 อ, อย่างถึงจะเกิดขึ้นได้นี่คือคอนเซปต์ของเรื่องของปฏิจจสมุปาท์คำเนี้ยแปลที่แปลว่าอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเนี่ยจึงหมายถึงสิ่งนี้พนะระพุทธเจ้าค่อยๆ แ, แตกออกมานะเป็นอย่างหนึงก็คือแบบขยายความคําของท่านเองที่บอกว่าปฏิจจสมุปาท์คืออะไรนี่ไงอิมัสมิงสติอิดังโหติอิมัสุปตาอิดังอุปชัชติ แต่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่ท่านขยายความออกมาละนี่ขั้นที่2คือเหมือนกับบันไดจากขั้นแรกเอ๊ะมันอะไรนะปัญญาชนบุบาทอ๋ออ๋คือสิ่งนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับโอเคนี่ขั้นที่2ที่เราต้องความเข้าใจมาละทีนี้พระพุทธเจ้าก็ขยายความต่อไปอีกว่าไอ้ที่เกิดเกิดมีมีไม่มีดับดับเนี่ยมันอะไรมันอะไรก็ได้ขยายอธิบายต่่อวา คืออย่างนี้นะคือเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายนี่คือคู่ที่หนึ่งพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณแต่นี้เราคงจะเคยได้ยินกันอยู่เพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพระมีนามรูปจึงมีสัลยตนะสัลยตนะนี่ก็หมายถึงอิจตนะภายในและภายนอกทั้ง6อย่างอันนี้ก็จะเป็นคู่กันไปคู่กันไปพราะมีสัลยตนะจึงมีผัสสะพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา เรมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดนั่นแหลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์ใจความทุกข์ใจและความกลั่งแกนใจจึงเกิดขึ้นในความเกิดแห่งกองทุกข์้งมวลย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นี่ขั้นที่สามนะเหมือนกับเราไปบันไดทีละขั้นนะขั้นแรกคือคำว่าปฏิสมูบาใช่ไหมอันนี้เราผ่านมาละเข้าใจละขั้นที่สองพุจ่าอธิบายขึ้นไปอีกว่าไอ้ที่มันอาศัยกันและการเกิดมันไม่ใช่สิ่งใดสิ่่่งงงหนึอยยาเดีว ต้องมีพร้อมกันนะคือมันทํางานอย่างนี้ทีนี้เราทำความเข้าใจไปแล้วนะ <Okay. S 1> ทีนี้มาในขั้นที่สามว่าแล้วอันนั้นน่ะมันคืออะไรแี่ทีนี้ในหลักพระยาเนี่ยพอเราพูดอย่างนี้พอพระรูปเจ้าตรัสอย่างนี้เนี่ยนะทำให้มันเหมือนกับว่าเป็นสายก็จะมาเพราะว่าอาวิชชาทําให้เกิดสังขารเอาสังขารเอามันมากลายเป็นประธานของประโยคถัดไปสังขาร <Okay. S 1> ทําให้เกิดวิญญาณแล้ววิญญาณล่ะวิญญาณมันก็ทําให้เกิดนามรูปนามรูปล่ะนามรูปก็ทําให้เกิดสลายตระนอย่างเนี้ย ทำไม้มันดูเหมือนเป็นสายไปเป็นสายไปแต่จริงๆแล้วประโยคนี้คือถ้าดูตามวยวากรณภาษาบาลีเลยนะคุณโยมติ๋วค่ะคือมันเป็นประโยคเลยของมันตัวเดียวจบเลยภาษาบาลีพระรูจารตรเดิดต่างนี้บอกว่าอาวิชาปัจจยาสังคารามันพูดที่สวยงามมากเลยสังคาราปัจยาวิญ ญ, ญาณ์นังวิญญาณนังปัจจญานามารูปังไปไล่ไปไล่ไปใช่ไหมค่ะทีนี้คำว่าอาวิชาปัจยาสังคาราเนี่ยจบเลย เป็นประโยคเดียวจบเลยคือถ้าพระพุทธเจ้าจะไม่พูดต่อไปจากนี้อันนี้จะสมบูรณ์ของมันอันนี้จะสมบูรณ์ของมันแต่ว่าด้วยความที่ท่านเป็นธรรมราชาเป็นเหมือนพญาสีหานะกูยมติวเวลาออกล่าเหยื่อเนี่ยแมมจะต้องไม่เสียเหลี่ยมกูของความเป็นพญาสีห์พุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยความครบธรรมะอย่างยิ่งไม่หละหลวมเพราะนั้นท่านจึงแบบแยกแยะแจกแจงออกแบบละเอียด น่ยไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่วิชาปัญญาสังขารานะสังขาราปัจญญาวิญญาณังก็ใช่นะก็เอนปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันมันต้องอาศัยการละการเกิดขึ้นเหมือนกันเดีนน๋นี้เรามาเจาะตรงที่คุณจักริดสงสัยเพราะว่าแต่ละคู่เนี่ยก็จะเป็นทํางานเหมือนกันทำไมเรามาถึงบอกว่าคู่นะเพราะว่าไม่ต้องพูดถึงอะไรเรเอาแค่หลักภาษาไวยากรณ์บาลีว่าไอ้นี่มันจบแล้วมันคู่หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาคิดเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์เป็นสายบางทีมัน ม, มันก็จะเข้าใจได้อยู่แต่บางทีมันจะสับสนในบางช็อตบางประเด็นอย่างกรณีของวุณจั ก, กรีนี่เลยเป็นคลาสสิกเคสว่าถ้าเราพิจารณาเป็นสายนเนว่จะงง่าเอางี้มันก็ที่บอกว่ า, านามรูปนะเป็นมีวิญญาณทาให้เกิดนามรูปใช่ไหมในนามรูปพระพุทธเจ้าแยกอาวมาเป็นรพุทรโพธิ์เลยบอกว่ารูปนี่คือมหาภูตตาทั้ง4ก็คือธาตุสี่ดินน้ําไฟลมนั่นเองคือของแข็งของเหลวก gas ธาตุสดินน้าไฟลมอันนี้คือ ทั้งสี่นี่คือเรียกว่ารูปส่วนนามล่ะมีอะไรนามนี่ก็คือเวทนาสัญญาเจตนาภาษมามรสิการห้าอย่างเวทนาสัญญาเจตนาภาษามรสิการ5อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนามอันนี้คือพุทธพจน์นะอันนี้คือพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอีกหลายๆพระสูตรที่บอกว่านามคืออะไรนามก็คือเวทนาสัญญาเจตนาภาษมามรสิการ5อย่างนี้เรียกว่านามนามด้วยรูปด้วยนี่แหละคือนามรูป ครูที่จะอธิบายแบบนีนะ้รูปคือท่าทั้งสทีนี้พอเราไปดูว่าอ๋อมีผัสสะด้วยอา้าวผัสสะมันมีอยู่ตรงนี้นี่นะที่เป็นสายต่อไปว่าผัสสะปัจจยาเวทนานะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงทำไม่เกิดมีเวทนากนะ็คือคือบางคนก็จะแปลง อ, อย่างนี้นะะ <Okay. S 1> ว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงทำไม่เกิดมีเวทนาแต่อริมาไม่ชอบใส่คำนี้อริมาก็จะบอกว่าเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาอันนี้นี่เป็นเป็นความเห็นส่วนตัวนะ ที่จึงแปลอย่างนี้เราข้ามตรงนั้นไปแต่ว่าออาทั้งนั้นมันมันกระโดดข้ามไปตรงนั้นหรอหรือว่ายังไงมันก็จะเลยงงไป <c oughs> ก็จะเลยงงไปทีนี้เพราะฉะนั้นวิธีการวิเคราะห์ในเรื่องนี้ไม่ยากเลยคุณโยมติว๋วตามคําพูดว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเลยคืออาศัยกันและการเกิดขึ้นไปทีละคู่ไปทีละคู่เพราะนั้นตอนนี้คุณกําลังดูเรื่องอะไรอยู่ถ้าคุณกําลังวิเคราะห์เรื่องของวิญญาณวิญญาณใช่ไ้ยวิญญาณเป็นเหตุหรือวิญญาณเป็นผลแต่ถ้าวิญญาณเป็นเหตุ มันก็จะทำให้เกิดนามรูปอันนี้คือคู่หนึ่งแล้วจบไปพิจารณาทีละคู่แล้วจบไปอันนี้คือหลักการนะทำไมทำไมถึงพูดว่าตรงนี้เป็นหลักการก็ตั้งแต่บันไดขั้นที่1มาแล้วคําพูดนี้ประกาศโดยพระพุทธเจ้าอยู่แล้วว่าปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอธิบายขั้นที่สองมาแล้วที่ว่าอิมัสมิงสติอดังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันเป็นคู่หนึ่งของมันอยู่แล้วัแล้วมาเจาะลงไปอีก นะทีนี้ไอ้ตรงเจาะลงไปรายละเอียดเนี่ยด้วยความเป็นธรรมราชาพระพุทธเจ้าต้องแยกแยะใจให้หมดนี่เป็นวิสัยของท่านอยู่แล้วด้วยความฉลาาของท่านเพราะนั้นท่านจึงอธิบายเป็นเหมือนลักษณะว่าเป็นคําพูดที่เป็นซายอย่างนี้แต่ว่าในตัวของมันเองเนี่ยจบอยู่ในตัวของมันเองแตนะ่ตรงนี้ที่บอกว่าวิญญาณทําให้เกิดนามรูปเพราะวิญญาณจึงมีนามรูปตรงนี้แล้วก็คู่นี้เท่านั้นเองทํำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเอา้าเราลแล่พิจารกันเลตอนวิชาเนี่ยคือความไม่รู้ อวิชชาคือความไม่รู้นะถ้าจิตของเราเนี่ยจิตของเราถ้ามีอวิชชาคือความไม่รู้ถ้ามีความไม่รู้นะว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นงั้นมันก็จะมีการไปปรุงแต่งแต่ความไม่รู้นี่คือความไม่รู้ว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆก็ได้เช่นว่าถ้าเราได้กลิ่นอาหารโอ้โหได้กลิ่นอาหารแม่มัน w, หิว เ, เวลาเราได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการปรุงแต่งไป ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงั้นจะมีการปรุงแต่งไปละอันนี้คือถ้าจิตมันมีความไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้นะแต่ในทางตรงกันข้ามนะถ้าจิตมีความรู้ว่าฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้มันก็จบเลยไอการปรุงแต่งนั้นก็จบไปอันนี้ก็แค่คู่นี้เองเราพิจารณาแค่ตรงนี้ก็จบไปอันนี้คือความรู้กับการความไม่รู้กับการปรุงแต่งหน่าวิชาปัจจัยให้เกิดจังการนี่คือคู่นี้ ทีนี้พอมีการปรุงแต่งแล้วเนี่ยไอ้จิตที่มันมีการปรุงแต่งเนี่ยจึงไปทําหน้าที่ในการรับรู้จิตที่มีทําหน้าที่ไปในการปรุงแต่งเนี่ยจึงไปทําหน้าที่ในการรับรู้จิตนี่นะคุณโยมติวนะถ้ามันมีอวิชชาใช่ไหมมีความไม่รู้ว่ามันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้เนี่ยมันก็จะไปปรุงแต่งวิธีการที่จิตจะไปปรุงแต่งก็คือไปทําหน้าที่วิญญาณโอเคนะจิตเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรล่ะนอกจากวิญญาณก็ถูกต้องแล้วไง จิตเนี่ยมันต้องไปทําหน้าที่ในการรับรู้วิญ ญ, ญาณเนี่ยเปเลว่าการรับรู้นะวิญญาณนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าที่เป็นวู้วู้ลองไปลอยมาไม่มีขาไม่ใช่เัินนะแต่วิญ ญ, ญาณเนี่ยเปลว่าการรับรู้ปเป็นลักษณะการปรุงแต่งของจิตเนี่ยจึงปรุงแต่งไปในการรับรู้ตรงนี้จึงเป็นที่ปปุจจาอธิบายว่าสังขาราปัจญาวิญญาณังเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณโอเคมาถึงจุดที่คุณจะกริ่สงสัยว่าเอาละ ว, วิญญาณเนี่ย มันทํามให้เกิดนามรูปได้ <Okay. S 1> ก็จิตนี่แหละที่เวลามันไปปรุงแต่งใช่ไหมมันจะไปปรุงแต่งเป็นลักษณะของการรับรู้คือวิญญาณใช่ไหมช่องทางที่มันจะไปรับรู้ได้มันก็รับรู้ได้แค่นามและรูปตอนนั้นเองในการรับรู้ของมันเนี่ยก็จึงไปไปในนามและรูปนั่นคือเบตนาสัญญาเจตนาภาษามนสิการนี่คือนามแล้วก็ดูสิจิตเราเวลารับรู้เนี่ยมันรับรู้อะไรได้บ้างแต่ความคิดความคิดเป็นสัญญาจิตของเราเนี่ย เรามัน ป, ปรุงแต่งแต่เพื่อที่จะไปรับรู้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งเป็นกรรมทางใจนี่คือเจตนาจิตของเราเนี่ยแล้วก็รับรู้สูงได้รับรู้ทุกได้อันนี้คือเวทนาแต่จิตของเราบางทีมีการใคร้ครวนคิดนึกในการพิจารณานั่นคือมนสิการนี่คือจิตที่เวลามันจะไปรับรู้มันจะไปรับรู้เรื่องนามเหล่านี้ได้โอเครูปก็ของแกงองเลวการ์สนะัาซีดินน้าไฟลมก็แก่นี้แต่ประเด็นถ้าเราพิจารณาเป็นคู่เนี่ย เราเราจะไม่สงสัยมันจะจบอยู่ในตัวมันมันมันจะไม่งงต่อไป น, นี่คือคือหลักการตรงนี้แล้วถ้าข้ามาจุดที่คุณจะกลิ่สงสัยจุดหนึ่งคือผัสสะเนื่องจากมีผัสสะจึงมีเวทนาคือจิตเนี่ยถ้ามันไปรับรู้ในเรื่องของผัสสะถูกไหมเวลาไปรับรู้คือวิญไปวิญญาณใช่ไหมจิตถ้ายังมีอวิชชาอยู่นะจิตถ้ามันยังมีอวิชชาอยู่นะ กิมีความไม่รู้ว่ามันไม่ไมต้องไปปรุงแต่งก็ได้ใช่ปะมันก็เลยไปปรุงแต่งลักษณะการปรุงแต่งของจิตก็คือไปทำหนา้าที่ในการรับรู้และถ้ามันไปรับรู้ในเรื่องของภาษะมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกในความรู้สึกก็คือสุขบ้างทุกบ้างเช่นเราได้ฟังเสียงดนตรีที่เราไม่ชอบโอดนตรีประเภทนี้เราไม่ชอบเลยลเราก็จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในความที่เราได้ฟังเสียงทางหูเนี่ยคือภาษาทางหูอะไรเข้าไปรับรู้ ก็จิตนั่นแหละเขาไปรับรู้อรับรู้แล้วถ้าจิตนี้ยังมีวิชาคือความไม่รู้ว่าไอ้คุณไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้นะมันก็จะไปปรุงแต่งนะเป็นออกมาทางภาษาที่มันไปรับรู้นั่นแหละพอปรุงแต่งออกมาเป็นทางภาษาที่มันไปรับรู้แล้วมันก็จะให้มีความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเกิดขึ้นตรงนี้นั่นเองเนะ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นถ้าเราอธิบายไปเป็นคู่ๆมันก็จะทําให้เกิดความเข้าใจแล้วจบไป ถ้าคุณจะไม่เข้าใจตรง น, น้คุณก็ไปทาความเข้าใจในคู่นั้นคู่นั้นว่ามันต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างนี้โอเคคื อ, อดิฉันเองคิดว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึง้งแล้วพอขึ้นต้นเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารคือเพราะความไม่รู้จึงเกิดการปรุงแต่งต่างๆนานานเนี่ยก็อาจจะยังสงสัยต่อนะคะโ <Okay. S 2> อเคเพราะมีสังขาร มีการปรุงแต่งจึงมีวิญญาณจึงมีการไปรับรู้การปรุงแต่งทำให้เกิดการรับรู้ถูกไหมคะถูกต่างค่ ะ, ะเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปไปรู้อะไรก็คือไปรู้นามรูปใช่เพราะมีนามรูปจึงมีสลายยตนะ อ, อันนี้ทุกคนก็ยิ่งงงใหญ่เลยเพราะว่าคำวิจิตบันจงมากสลายยตนะใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกอ่าเป็น ตาหูจมุกลิ้นกายใจก็แค่นั้น่ะอออ่าก็จะเข้าใจง่ายเข้าแต่ก็ต้องคิดต่ออีกว่าเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตา้นนอ้นให้เอามาอธิบายเป็นขั้นตอนตรง น, นี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรง น, นี้ก่อนนะค่ะเอะออ่สมมติว่าจิตเราอยู่ตรงกลางในะจิตของเราเนี่ยนะมีอยู่จิตของท่านผู้ฟังจิตของคุณโยมเตียวจิตของตัวธรรมภาพเนี่ยมีอยู่จิตของทุกคนมีอยู่ทีนี้จิตเนี่ยถ้ามีอวิชชาคือความไม่รู้ในะจิตของทุกคนอนะต่อให้พระพุทธเจ้าก็ตาม ตอที่ยังไม่ตรัสรู้จิตก้นน้นก็ยังมีอวิชชาอยู่คือมีความไม่รู้อยู่ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้ไม่รู้ในอริยสัจสี่พูดง่ายๆนะคือความไม่รู้นี่คือความไม่รู้ในอริยสัจสีก็หมายความว่าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องไปปรุงแต่งคือถ้ารู้อริยสัจสแล้วคุณจะไม่ไปปรุงแต่งต่อมันจะจบแต่เพราะไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้จิตนั้นจึงไปปรุงแต่งจึงมีสังขารโอเคจิตอยู่ตรงกลางนะค่ะถ้าเราดูเป็นนาฬิกาเนี่ยเอา เอา12นาฬิกาใช่ไหม12ตัว12 1 2 3ไปเรื่อยวงกลมเป็นเป็น12นาฬิกาเนี่ยนะเป็นหน้าปัดของนาฬิกาเนี่ยถ้าฟังนึกภาพตามเอาจิตของเราเนี่ยไว้ตรงตรงตรุ่มที่มันเข็มสั้นเข็มยาวมันมาติดกันเนี่ยจิตของเราเอาไว้ตรงกลางแป้นหน้านาฬิกาใช่ไหมเอาเลข12นี่คืออวิชาจะนะถ้าอาวิชาอยู่ตรงเลข12อวิชาถ้ายังมีอยู่ที่จิตเนะดี๋ยวดเลข12นะอวิชาัางมีอยู่ที่จิตจิตนั้นเนี่ย จะนั้นไม่เกิดการปรุงแต่งการปรุงแต่งนี้จะไปอยู่ที่1นาฬิกาโอเคไหมเวลาที่จิตจะไปปรุงแต่งเนี่ยตอน1นาฬิกาเนีน่ยจิตจะไปปรุงแต่งการปรุงแต่งของมันจะออกมาเป็นรูปแบบของการรับรู้การรัแบบรู้นี้จะอยู่ที่ตำแหน่ง2นาฬิกาคือวิญญาณวิญญาณแบบว่าการรับรู้ทีนี้จิตที่มันจะไปทําหน้าที่ในการรับรู้การวิญญาณเนี่ยช่องทางที่มันจะออกไปในการรับรู้ได้ก็ต้องเป็นนามรูปเพราะนามรูปเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่ง3นาฬิกานามรูปจะอยู่ที่ตำแหน่ง3ามนากานะทุกอย่างกลับมาที่จิตหมดนะ เวลาที่นามรูปเนี่ยจิตมันจะไปทําหน้าที่ในการนามรูปเนี่ยมันก็ต้องออกไปทางช่องทางช่องทางตรงนี้ก็เรียกว่าสลายตรนะนักคือช่อง <Okay. S 1> ทางที่จะออกไปเป็นนามเป็นรูปได้คืออวัยตนะภายในภายนอกตาหูจมูลิ้นกาและใจโอเคนะครับ <Okay. S 1> รูปเป็ น, นาสัญญาอาักรูปเสียงกลิ่นรสปัฏวธรรมารม <Okay. S 1> ตัวนี้คือจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนแล้วเนี่ยสนาฬิกาคําว่าสลายตระนัเนี่ยจะอยู่ที่ตําแหน่ง4ี่นาฬิกาค okay. ทีนี้พอจิตที่มันจะไปออกตามช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปเจออะไรมันก็ไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสปัตธรรมรมจิตนั้นก็จะไปรับรู้ผัสสะนั่นเองผัสสนเนี่ยจะอยู่ตรงห้านาฬิกาโอเคปะ่ะค่ะเพราะว่ามันมันกระทบกันเนี่ยเขาก็เรียกว่าผัสสะถูกไมค่ะสั <Okay. S 1> อย่างนี้โดนกันเรียกว่าผัสสะอยู่ตรงที่ตำแหน่งห้านาฬิกาค่ะทีนี้พอจิตที่มีผัสสะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเกิดความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างตาม ภาษาที่มากระทบว่าเป็นที่แต่งความพอใจหรือเป็นที่แต่งความไม่พอใจความสุขความทุกข์ที่เป็นเวทนาก็จึงเกิดขึ้นกับจิตนะที่6นาฬิกาค่ะนาที่6นาฬิกาพอจิตมีความรู้สึกคือเวทนาอย่างนี้แล้วจิตนั้นก็จะเกิดความอยากไปตามตัณหานะเช่นถ้าเป็นความรู้สึกที่ชอบใจก็จะเกิดตัณหาไปในทางที่อยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าปภาษานั้นเป็นภาษาที่ไม่น่าชอบใจก็จะเกิดตัณหาคือความอยากที่จะไม่ได้ อยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นนี่เกิดตันหาก็จะเกิดที่ตรง7รง <okay. S 1> จ็นาฬิกาเนาฬิกาทีนี้จิตถ้ามันมีตันหาแล้วมันก็จะไปยึดถือแความยึดถือคืออุปาทานเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่8ปดนาฬิกา <Okay. S 1> ทีนี้พอมีความยึดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสภาวะขึ้นมาความเป็นสภาวะที่จิตจะไปยึดถือว่ามันเป็นสภาวะเนี่ยเขาจึงเรียกว่าเป็นภพนะภพนี่คือสภาวะจะเกิดขึ้นที่ส0บนาฬิกาสินาฬิกานะ พอมีความเป็นสภาวะแล้วเนี่ยจิตนั้นเนี่ยจึงไปก้าวลงไปยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนขึ้นมาตรงนี้จึงมีการเกิดขึ้ น, นมาที่11นาฬิกา <Okay. S 1> พอมีความเกิดแล้วข้อความแก่ความตายความโศว um, LAUGHTER ความร่ำไรรำพันความทุกข์ายความทุกข์ใจก็ตามมาเป็นพรุ่นตามมาเพราะความเกิดตรงนี้ความเกิดจึงอยู่ที่11นาฬิกานอยู่ล้อมรอบจิตตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาเป็นคู่ทีท่เกิดขึ้นที่จิต <Okay. S 1> ว่าจิตตอนนั้นมีอะไรมากระทบ ต, ตอนนี้คุณมีอะไรตอนนั้นหนึ่งค่ะคือท่านกําลังจะบอกว่าพิจารณาเป็นคู่แต่ว่าเด็กําลังจะพูดถึงการที่ดูจากบทเพียนชนะเอาแบบแปลนภาษาไทยในกรณีที่เราไม่สามารถจะเข้าถึงภาษาบาลีได้นะคะก็ต้องพิจารณาควบคู่กันไปที่ได้พูดกับท่านก่อนหน้าที่ท่านจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือในส่วนที่ทําให้เข้าใจง่ายเนี่ยเด็กเข้าใจว่าพอไปถึงจุดที่บอกว่า อ๋อเมื่อมีผัสสะจึงมีเวทนา <Okay. S 1> คือเหมือนก็นว่าเรารู้ละ ว, ว่าพอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพลทธภาธมารมณ์เนี่ยนะคะจะทำให้มีมีสลายตระนะแล้วก็ทำให้เกิดผัสสะเกิดการการะทบกันพอเกิดการกระทบกันเข้าเนี่ยก็เกิดความรู้สึก ที่ <We S 2> เป็น <th ana. S 2> เวทนาใช่ไหมคะสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกคมัสสุเวทนาเนี่ยตรงนี้ที่ฉันมันคยรู้สึกว่าเออเราเข้าใจจริงๆแล้วนะ mm. เพระจริงด้วยพอตาไปเห็นหูไปได้ยินลิ้นไปได้ลิ้มรสจมูกได้กลิ่นเมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเคือ <Okay. S 2> มันเกิดความรู้สึกสุขเวทนาทุกขเวทนาคําถามตรงนี้ก็คือว่าแล้วเวลาที่เราไปรู้สึกสุขเวทนาทุกเวทน า, ม, า, า, นามีภาษาเกิดขึ้นเนี่ยอะไรเข้าไปรับรู้ค่ะจิตไปรับจิตถูกไหมอ่าจิตค่ะเพราะนั้นก็คือมันจึงแวดล้อมจิตตรงนี้ ใช่ค่ะคือท่านอธิบายด้วยจิตเนี่ยดิฉันก็เข้าใจแต่ดิฉันก็เลยจะบอกว่าแล้วทีนี้เมื่อต่อมาจากเกิดสุขเวทานาทุกเวทานาและก็เกิดตัณหาหอืนะคะคือเพราะว่ตัณหาวิเพราะว่ตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นตัวนี้นะอยากไม่ได้โอเคค่ะถ้าสมมติตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงไหนก็ตามเนี่ยคุณเกิดความรู้ขึ้นมาทันทีนะจุดนั้นว่าเอ้เราเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงสมมตินะสมมุติ เหตุการณ์นี้ไม่เที่ยงนะเหตุกาณนี้ไม่ใช่ตัวตนนะเวตุนาณนี้เป็นของที่ดับไปได้นะ่ตะตนาจะไม่เกิดค่ะตะนาจะดับไปทำไมอ่ะเพราะตรงนั้นคือวิชาไงทําไมคือวิชาคือยังไงก็เห็นตามจริงไงว่ามันไม่เที่ยงไงค่ ะ, ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดิฉันเนี่ยกําลังจะกลาบเรียนท่านว่ามันเหลื่อมกันนิดนึงอเราไม่สามารถอธิบายเราไม่สามารถจะเข้าใจแบบที่เคยเข้าใจได้หรือคะว่า มันเป็นเหตุเป็นผลกันอ่าแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลที่เมื่ออธิบายโดยละเอียดเมื่ออธิบายโดยละเอียดแบบที่เรียวกว่าเป็นภรขวารนะ่ยนะคะก็จะทําให้เกิดความเข้าใจร้อยเรียงกันมาเป็นลําดับอย่างนี้ข้ามขั้นตอนไม่ได้อ่ะหมายถึงว่าเมื่อการจําแนกแจกแจงแต่ถ้าแบบไม่จําแนกแจกแจงคือ สําหรับคนที่เข้าใจธรรมะละสามารถเข้าใจในขั้นตอนแรกเลยว่าอ๋อเพราะมีอวิชชานี่เองจะมีการปรุงแต่งตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่อาดมาจึงไม่อยากจะใช้คําว่าปัจจัยไงค่ะเพราะคาว่าปัจจัยเนี่ยมันจะไม่เกิดเหมือนกับเข้าใจว่าเป็น time delay นิดหนึ่งมีสังขารจึงมีวิญญาณมันก็เลยแบบ time delay นิดหนึ่งเพราะคำว่าเป็นปัจจัยใช่ไหมทําจึงมีคือแปลแล้วมันยังไงก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจในภาษาไทยอนะ แต่คําว่าปัจจยาที่นี้ถ้าเราดูภาษาบาลีนะพระพุทธเจ้าะจะไม่ได้พูดแยกกันคือคําว่าอาวิชาปัจจะยาสังขาราเนี่ยสังขาราปัจจะยวิญญาณังเนี่ยคําว่าปัจจะยาตรงนี้ยเข้าไปติดกับตัวอวิชาเข้าใจไหมมันไม่ได้เป็นคําเดียวกัไม่ได้เป็นคําที่แยกกันแต่คุณโยมที่อ่านพระสูตรเนี่ยน ะ, ค, ะคำว่าปัจจะยาตรงนี้ยคือมันจะติดอยู่กับอวิชาคําว่าปัจจะยาตรงนี้ คือหมายถึงเอาลักษณะการทํางานแบบข้างบนคืออิมัสสมิงเนี่ยมาใช้กับคู่นี้คราบวิา จ, จารย์เพื่อเพื่อไม่งั้นมันจะต้องแยกกันน่ะเข้าใจไหมเอาวิชาชแล้วก็เว้นรักปัจจยัยแล้วก็เว้นวักสังขาราหรือสังขาระเว้นวักปัจจยัยเว้นรักวิญญาณแต่นี่มันไม่ใช่คเอาวิชา<อ>ปัจจาสังขารามันรวบกันไปอ่ะดีิฉันเข้าใจคะ่ะอันนี้ถ้าหากเราจะมาพิจารณาจากบทพยัญชนะอ่าใช่ใชแต่ถ้าพิจารณาจากความเข้าใจเพราะอทนั้นเข้าใจว่า ถ้าเราจะเสพธรรมเนี่ยมันต้องให้เกิดการเข้าใจในเนื้อธรรมนะคะก็ยังจะกราบเรียนถามท่านว่าถ้าดิฉันเข้าใจอย่างนี้จะถูกต้องหรือไม่คือเข้าใจว่าทุกอย่างมาลงที่จิตหมดนั่นแหละอย่างที่ท่านได้อ่าได้เมตตาให้ว่าโยมต้องเข้าใจนะว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดที่จิตถูกไหมคะอ่าก็ทําความเข้าใจเพิ่มไปแต่อย่างไรก็ตามดิฉันเชื่อว่าหากเราพิจารณากันจาก ตรงมีอาวิชาเรื่อยมานะคะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยขั้นตอนเหล่านั้นถ้าคนเข้าใจมากๆจะตัดทิ้งบางอย่างก็ได้ใช่ไหมคะสมมติว่าเดี๋ยวฉันจะพูดว่าเพราะมีความไม่รู้เนี่ยนะก็เกิดการปรุงแต่งไปต่างๆนานาจนกระทั่งไปเข้าใจว่าในในความอยากของเรานั้นนะคะ จะไม่เกิดความยึดถือถูกต้องถ้าไม่ได้เลยก็พูดอย่างนั้นได้ได้เลยในกรณีที่ถ้าเข้าใจแต่ถ้าหากว่าจะแยกแยะทั้งหมดเนี่ยแยกแยะได้เป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอย่างนี้อาจจะกล่าวเป็นว่าเป็นคู่คู่ได้ดังนี้ถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะค่ะเราจะเห็นความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแบบเคารพธรรมมากๆเลยแบบเป็นพระกว่าจริงๆเนี่ยค่ะ เพราะนั้นท่านในดิฉันก็ไม่ทราบว่าท่านท่านฟังที่ดิฉันได้สนทนากับท่านเนี่ย <c oughs> คิดว่าจะทำให้คุณจั ก, กริดได้รับความกระจ่างไหมใช่สมการความงงของคุณจั ก, กริดอยู่ตรงที่ว่าถ้าคิดว่ามันเป็นสายมันจะวิเคราะห์ไปมันก็จะสับสนไป <c oughs> แต่ถ้าเราจบแค่ว่าที่มันเป็นคู่ <c oughs> โดยตามขั้นตอนบันไดที่พระพิชเจ้าได้อธิบายมาโดยเริ่มแรกเริ่มจากคว่าปฏิญาสุบา ขยายความมาถึงคำว่าอิมัสมาิงสติดังโหตีจนถึงคำว่าปัจจยาตรงนี้จะทาให้เกิดความเข้าใจว่าเราจะเอาคู่ไหนก็ได้มาวิเคราะมันก็จะจบไปจบไปแล้วนั้นเองอค่ะนะคะแล้วทีนีอ้อย่างที่ท่านบอกว่าท่านจึงไม่อยากแปลว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายแต่สามารถแปลได้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยไ ม, ไม่เพราะมีอวิชาาวชาจึงมีสังขารใจ เท่นั้นก็ได้แล้วงั้นคําว่าปัจจัยาจริงๆแปลว่าอะไรคะนคะก็เป็นปัจจัยไงปัจจัยนี่แปลงภาษาไทยว่าอะไรคะเป็นเหตุดังนั้นถึง<ต>สามารถละไว้ในฐานที่เข้าใจได้ใช่แต่ที่นี้คํานี้เนี่ยถ้าเราจะเอามาใช้ในที่นี้คือต้องคําว่าปัจจัยาในที่นี้คือดึงสมการข้อมูลมาดึงสมการคําว่าอีมาสมิงเนี่ยมาแอพลายกับอะไรเอา x y คืออวิชากับสังขาระคือตรงนี้เพราะนั้นคือถ้าจะพูดไปอีกว่า ไอ้สมิงนั้นนะคืออวิชานะแล้วก็สมิงนี่นะคือสังขารานะไม่ใช่แล้วคือเราเอาคำว่าปัจจญาเนี่ยมาแทนตัวนี้เลยเป็น fx ไปเลยเป็นเป็นตัวแปรนะที่เอามามาใช้อภายนกับคู่นี้อย่างเงี้ยคคือเนี่ยในในความหมายอนมานะว่าเป็นงงี้มันก็จะคืออนามาก็เข้าใจว่าอนามายังไงหล่ะค่ะก็เรนนเข้าใจว่าน่าจะน่าจะทําให้คุณจากริดเข้าใจได้น ะ, ะ, ะนเข้าใจได้ มากขึ้นว่าอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ร้อยเรียงมาว่าจะต้องพันกันมาตลอดออถ้าเราเข้าใจในส่วนใดส่วนนั้นแบบมีเหตุผลกันเป็นคู่คู่ว่าต้องเป็นคู่ที่ทำให้เกิดผลนั้นได้เนี่ย อ, อันนี้ก็ถูกต้องแล้วถู ก, ถกต้องแล้วอันนี้จะสําเร็จประโยชน์ความเข้าใจนี้จะยังไงผลต่อไปคืออะไรมันจะไม่เกิดความเห็นจริงแล้วก็จะไม่เกิดความปล่อยวางนี่คือสําคัญ ถ้าเราวิเคราะห์ธรรมะไปแล้วยิ่งงงมากขึ้นน่ะยิ่งยึดถือมากขึ้นอ้าวมันไม่ถูกละแต่พอเราเข้าใจปุ๊บอ๋อมันเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้หรอโอ้ตัณหามันเกิดจากนี้เองเอามันไม่มีสาระอะไรนะวางเสียมันดับไปได้นี่มันเกิดได้มันดับได้นี่คือความสวยงามมันพอมันดับแล้วไงอ่ะมันไม่มีอะไรวางไปนี่คือจิตมันจะแจ่มใสขึ้นมาเลยจะมีความรู้เกิดขึ้นตันดีไม่ว่าคู่ไหนคู่ใดคู่หนึ่งถ้าเราเข้าใจแล้วว่ามันเกิดมันดับมันเกิดมันดับได้พั่วเลยตรงนั้นน่ย คู่ใดคู่หนึ่งตรงนั้นเท่านั้นเองค่ะก็คือการเข้าใจหลักอริยสัจสี่ถูกต้องที่มีการเกิดคือมีสมุทยัยถูกไหมคะใช่ใชก็มีนิโรธถูกต้องตรงนี้แหละตรงนี้แหละคือสคัญเป็นหลักใหญ่ของพระพุทธองค์การวิเคราะห์ธรรมจึงควร น, นำเอาหลักใหญ่ มาประกอบด้วยตลอดที่ฉันพูดอย่างนี้ได้ไหมคะใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่เพิ่มเติมในที่นี้คือว่าเรื่องของภาษาบาลีนี้ก็จะส่วนมีส่วนช่วยได้มากค่ะก็เราก็ปล่อยได้ความรู้ไปด้วยว่าอ๋อภาษาบาลีนี้ต้องพิจารณาแต่แบบภาษาบาลีอย่าไปตีความแบบภาษาไทยอ่าแล้วก็ต้องดูประกอบกันดูประกอบกันใช่ค่ะ น, นะคะค่ะวันนี้เราก็ได้เข้าถึงปฏิจจสมุปาทอย่ายละเอียดแล้วนะคะแล้วก็ มีการทําให้เราได้ทราบว่าบาลีนั้นว่าวาอย่างไรหลักการของบาลีเป็นอย่างไรก็กราบนมัส ก, การของพระคุณท่านเป็นบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะเยียมมากมัสการค่ะนั่นเราฟังค่ะพูดถึงเรื่องของมีเหตุและมีผลแน่นอันนี้เป็นธรรมะของพระพุทธองค์เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดับกันที่เหตุนะคะอย่าให้เกิดถ้าเกิดขึ้นมาปุ๊บก็มีผลแต่ก็อย่าลืมว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ ดับได้วันนี้เราคงจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับรายการสันสนีสนธนาเดชันสันสนีนาคพงษ์ผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 อสนธนาธรรมกับพระมหาภัยบุญอภิปุโนผู้อำนวยการหลักสูตรีกเรนวัดป่าดอนไฮโูอุดรธานีค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะพุทธวสตวีค่ะ